วกลูกหลานนั่งอยู่ทางนอกกับคงเอลวงพ่อพูดอะไรนะมุมัมบมุมัมบมุมัมบพูดกับคุณปอกับแม่สายกับนั่นน่ะทิดกุหลับหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับได้ ย, ยินข่าวว่าหลวงปู่บุญมีนาคูณท่านปลีกไปวิเวก แบบกระทันหันก็เลยถามถามข่าวว่ามีอะไรทำไมเพราะในฐานะหลวงพ่อก็เป็นน้องน้องของท่านแต่มีปัญหาอะไรก็ต้องหลวงพ่อก็ต้องขอรับรู้รับทราบแต่หลวงปู่ปกออกไปข่าวนี้เขากระเทือนนะหลวงพ่อว่า หลวงปู่เป็นพระผู้ใหญ่ก็เหมือนกับหลวงปู่เทศออกจากขินมักเป่งไปอยู่ถ้ำขามนะกูบายจาย์ขยับขยื่นแต่ละครั้งนะก็รู้สึกกระเทือนพอสมควรหนะลวงพ่อจะทดลองลองปีกวิเวกสักวัน ป, <c oughs> ปีไปปีกวิเวกออกไปเที่ยว วิปีสองสามปี <c oughs> เหมือนกับหลวงปู่นาคูณเหมือนปู่ลีปู่ลีเคยปีกวิเวกมาแล้วนะ <c oughs> แต่ก็แนวความคิดครูบาอาจารย์ก็แปกแตกต่างกัน <c oughs> อย่างหลวงปู่บุญมีที่ท่านอยู่ภูรังกาสมัยก่อน ท่านไม่สับปลายะกับลูกน้องบริวารของท่านท่านก็บอกว่าหนีเราหนีหลวงปู่ปูลีก็เป็นบางช่วงผู้เท่าอึดอัดกับลูกน้องกันหนีแต่โดยทุ่วูตรก็เข้าใจกันก็เมตตาลูกน้องบริวาร แต่แบบหลวงตานหลวงตามหาบัวนะที่หลวงพ่อไปอยู่กับท่านเป็นเวลาสิบกว่าปีหนะลวงตามหาบัวมีแต่บอกถ้าทำตัวไม่ดีหนีหลวงปู่ปไม่หนีเลอถ้าพระองค์ไหนทำตัวไม่ดีนิสัยไม่ดีหนักวัด นีนะย่าให้ได้ไล่นะอันนี้คือหลวงตามหมาบัวเด็ดขาดอย่างนั้นนะ่ะท่านยังไม่หนีนนะ้เหมือนอันถ้าว่าท่านหนีเนี่ยกมันจะมัคงไม่มีที่สิ้นสุดคงหนีออกจะนั่นแหละกันหนีไปอีกหนีไหนีไปแต่นี้มีแต่ท่านยืนยืนก็นไล่พระออกจากวัดถ้าองค์ไหนกิริยามารยาทไม่ดีดูดูแล้ว อ, อไม่อยู่ในโอวาท ไม่อยู่ในเข้ามาศึกษาและแข่งแข่งกล้าวแข่งกระด้างาแล้วก็ชักชวนหมูพวกเพื่อนศรัทธา ญ, ญาติโยมที่เกี่ยวข้องอแข่งข้อแข่งกระด้างแล้วมาอยู่ทําไมลงตาว่านะเมืองไทยมันไม่แคบเหมือนใบหมักข้ําป้อมนะจะเป็นหนีไปที่ไหนก็นหนีมาอยู่ทําไมหนีนะ อย่าให้ได้ไล่นะอันนี้คือหลวงตานะแต่พระบางองค์สมัยหลวงพ่ออยู่นี่ใสไม่ดีวันนี้ใสไม่ดีตอนใส ป, ประสารประสาทนะท่านก็มองดูนะอยู่ทั้งหลายปีทั้ง5้าหกปีั่นก็่แต่ต่อหน้าท่านก็ดีแต่รับหลังของท่านนะกับกับพระกับอะไรก็นะั่นแต่ก็ไม่มีใคร ไปฟ้องท่านหนะรอพ่อบอกต่างคนก็ต่างสัมรวมระหว่างกลัวบาปพอหลวงปู่บุญมีเป็นเป็นพระผู้ใหญ่เหมือนกับเป็นพี่ชายใหญ่อยู่ในวัดเนี่ยหลวงตาเป็นพ่อหลวงปู่บุญมีเป็นพี่ชายใหญ่อยู่ด้วยกันหลวงปู่บุญมีเนี่ยเป็นผู้มีน้ําใจนะน้ําใจโอบอ้อมอารีต่อน้อง ถึงจะน้องๆจะทําให้หนักกกหนักใจขนาดไหนน้ําตาซึมะบางทีคล้ายๆว่าลูกน้องๆทําให้ไม่สบายใจอืมแต่หลวงพ่อนี่ยยุนะคุณจันจไปกราบเรียนพ่อแม่คูจานหะน้าทําไมมันพาทําไมเป็นอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็ว่าไปอย่างงั้นแหละว่ะแต่ท่านบอกก็าโ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเป็นบาปกรรมตาม สนองถ้าว่าชาตินี้ไม่พ้นทุกในวัฏสงสารภาวนาไ ม, ไม่หมดกิเลสเกิดพพหน้าชาติหน้าเดี๋ยวคนจะบาปกรรมตัวนี้จะกันแกล้งเราเราก็จะหาที่อยู่ไม่ได้ไปที่ไหนมีแต่คนไล่เพราะบาปกรรมไปฟ้องครูบาอาจารย์ไล่พระ ออกจากวัดเราเอาพระไม่ดีเนี่ยวะเรามุมมองดูนันมันไม่ดีมันก็น่าจะกราบเรียนท่านนะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาไม่เอาะมันเสี่ยงนะโดยมากหลวง ป, ปู่บุญมีท่านจะลักษณะอย่างนั้นนะท่านมีความเมตตาต่อน้องๆ อ, อ, อย่างมากที่หลุดออกจากปากท่านอย่าไไปกราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พระ อ, อ, องค์นั้นไม่ดีองค์นี้ไม่ดีนี่ย ลุงพ่อไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้ยินนะลุงปู่บุญเมียนะ <c oughs> ลุงปู่ลีก็เหมือนกันที่อยู่ด้วยกันถึงยังไงยังไงก็มองมอ ง, มองแล้วก็มีิตรบอกกล่าวแล้วก็ดุแล้วก็ถอยหลังอดุให้แล้วก็ถอยคือไม่พูดมากกว่านั้นอีกคือองค์ไหนที่มันไม่ดีก็อย่างว่าพระมันต้องหลายองค์หลายพ่อหลายแม่แต่ก็ไม่ถึงกับไปกราบเรียนแล้วไป ฟององค์หลวงตาถ้าองค์หลวงตาเนี่ยถ้าระดับหลวงปู่บุญมีหรือหลวงปู่ฤทธได้พูดเท่านั้นแหละเพียงคําเดียวเนั้นข้ออากาศพระม่มกุจารพระองค์แล้ว น, นี้เป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นะเฮ้อเท่านั้นแหละหลวงตาจะไม่ฟังเสียงคนอื่นเลยนะเท่านก่ไฟเนื้อเชยใจพระผู้ใหญ่ี่เป็นนั่นนะท่านเขาดูมองดูแล้วมีคุณธรรมอ่ะที่จะพูดตรงไปตรงมานะ หลวงตาท่านเชื่อทีเดียวเลยแต่ท่านไม่พูดท่านไม่ทำอะไรแต่ก็มีไหมมีมีพระองค์หนึ่งมาจากทางโน่นทางศรีสเกตมาอยู่ด้วยกันหลายปีมาอยู่ก่อนหลวงพ่อมาอยู่ได้ห้าหกปีมัอไม่มีใครพูดอะไรนะแต่แตาตาไม่จริงจะแกกันนะคุ้มดีคุ้มายแต่ก็นิสัยก็ดีก็ ด, กดีบางครั้ง แต่พลที่สุดหลวงตาประชุมตอนเช้าเนี่ยประชุมท่านหลวงตาบอกเลยประชุมตอนเย็นคงไม่มีใครกล้าเลยเพราะท่านพูดขึ้นมาแบบชัดๆเลยท่านองคนะ์นี้นะี่ะหนีนะหนีจากวัดเราพอเราดูมานานแล้วเราดูมานานแล้ว ท่านดูแล้วไม่จเจริญในธรรมหรอกไม่จเจริญในธรรมถ้าหากว่าท่านไปที่อื่นแล้วจเจริญในธรรมได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมาเราจะกราบโอ้โหเราได้ยินหลวงตาพูดเพียงอนั้นเราก็ชะตุ้งเหมือนกันโห้ทาไมหลวงตาพูดถึงขนาดที่พระลูกน้องอยู่ในวัดหลวงตาจะพูดอย่างนี้ใครๆว่าท่านมั่นใจว่า ท่านมองดูแล้วดูแล้วจะหาความเจริญไม่ได้เปล่าเนี่ยหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเกิดถอยหลังกูดเหมือนกันว่าไงโอ้หลงตาทําไมพ่อแม่กุจารย์ทํำไมพูดถึงขนาดนี้ว่าหลวงพ่อก็สังเกตต่อมาอีกไล่อีกหนีนะท่านนะ เ, เราบอกให้หนีแต่ตรงหนีอยู่ทําไมองค์นั้นท่านก็อยู่มานานะท่านก็น อ, อยากอยู่ผลที่สุด วันลงโบสดตอนเช้านะจะลงโบสดตอนเช้าท่านท่านนี้เนี่ยเราบอกให้หนีแล้วหนีไม่ได้ไม่หนีถ้าไม่หนีจะไม่ให้ลงโบสดวันนี้หนีครับเอา้เอาก็ลงโบสดพอลงโบสดจากนั้นทา่านก็องนั่นก็เลยได้หนีออกไปพอออกไปก็อย่างววาน สุดช่วยรวยแหลมไปมาลงตรงนั่งไปเอาไปมาคงจะเสียใจยังไงก็ใหม่ทราบเหมือนกัน่ะเราก็ไม่ได้ติดตามนี่แหละมีไหมที่หลวงตาที่ท่านดุไล่พระออกจากวัดหลวงพ่อเนเห็นองค์นี้แหละที่หลวงตาพูดชัดเจนนะแต่นานๆหลวงพ่อจะพูดให้ฟังถ้าหากว่าไม่สัมผัสหลวงพ่อจะไม่พูดนะอันนี้มาเกี่ยวกับหลวงปู่ท่าน ออกจากวัดหลวงพ่อก็ได้ยินหลวงพ่อในฐานะน้องๆก็ไม่สบายใจเหมือนกันถ้านคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้อยู่ใกล้ก็ไปกล่าบประหลาดธนาในมลนกลับมาที่พักของท่านเพราะว่าไม่มีอะไรที่สับายะสำหรับอายุถึงขนาดนั้นแล้วถ้าจะไปอยู่ที่อื่นอากาศก็ร้อนอะไรก็ร้อน อูที่วัดของท่านก็พร้อมหมดทุกอย่างก็ น, น่าจะกราบประรนาลนัตนิมนต์องค์ท่านกลับมาอีกองค์ไหนที่ไม่สบายใจของท่านาก็กราบประหลัต น, นิมนต์องค์นั้นออกซะก็ถามท่านกราบเรียนท่านว่าองค์ไหนที่ไม่สบายใจกับองค์หลวงปู่หลวงปู่ไม่สับไปยากับองค์ไหนก็กราบประหลัตนะพระน้อยพระหนุ่มลูกหลานออกซะ เพราะเมืองไทยไม่แคบเหมือนใบ ม, มักขามอย่างที่หลวงพ่อพูดไปยุคที่ไหนก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมได้ไม่ใช่จะอยู่ถ้าอยู่แล้วไม่ไม่สับปา ย, ยะสำหรับท่านเราจะอยู่ทำไหมเราจะไปอยู่หามงคลอะไรมันจะได้ฉลิมงคลอะไรกับเราที่ท่านไม่สับปา ย, ยะเราก็ต้องถอยออกไปซะจากนั้นเราปฏิบัติตนให้ดีทีนี่ ข้าถ้าข้าไม่ปฏิบัติตนดีแล้วใครจะปฏิบัติตนข้าพระเจ้าให้ดีถ้าว่าข้าพระเจ้าไม่ดีข้าพระเจ้าตกนรกเองข้าพรเจ้าทาดีข้าพระเจ้าไปสวรรค์เองข้าพรเจ้าละกิเลสได้ข้าพระเจ้าไปนิพพานเองมันต้องเชื่อมั่นกับตนเองไม่ใช่ว่าอยู่กับครูบาอาจารย์ไปอยู่กับใครกระทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน ไปออกไปอยู่ตามลำพังก็อยู่ไม่ได้เกาะแก่แ ก, แก่ทำตนไม่ดีถ้าไปอยู่กับคู่บาอาจารย์ก็ทำให้คูบาอาจารย์หนักอกหนักใจอันนั้นใช้ไม่ได้ไม่เชื่อมั่นในตนเอง เ, ออเราต้องเชื่อมั่นในตนเองที่ทเราทำกรรมอันไหนไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเมื่อเราทำกรรมชั่วมันจะดีได้อย่างไร เมื่อเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีมันจะดีได้อย่างไรในเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วมันจะชั่วได้อย่างไรนี่แหละมันต้องเชื่อในตนเองในะลูกหลานนะเนี่ยหลวงพ่อได้ยินหลวงปู่ขึ้นมาก็นแล้วเล่าให้ลูกหลานได้ฟังแต่ลูกก็ได้ยินยังไม่ชัดเจนนะยังไม่เป็นทางการหลวงพ่อก็ยังไม่ได้กราบเข้าไปกราบทานหรือว่าถามไทยเรื่องราว เพียงแต่ได้ยินเพียงได้ยินก็ไม่สบายใจแล้วเพียงแต่ว่าเพียงได้ยินขนาดนี้หลวงพ่อเองก็ไม่สบายใจแึอยังไงก็ขอให้ลูกหลานทั้งหลายไปกราบราลัสนานิมนต์องค์ท่านกลับมาวัดถ้าเปลี่ยนไปได้นะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2 5งพัรพระในวัดของเราสี่ส แล้วก็คงจะมีการบวชวันที่19บามาบวชพระอีกรอบแรกนะรอบที่สองก็คงจะวันที่ย5ส้าแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่ 3, 31เอเป็นวันอัสสรหบูชาวันที่หนึ่งสิงหาเป็นวันเข้าพรรษา <c oughs> ปีนี้นะคณานะสทายาทโ ย, ยมลูกหลานทุกคนนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ เห็นลูกหลานมาวัดมากหน้าหลายตาแต่ถึงยังไงในพรรษาที่จะถึงควรจะวางแผนนะวางแผนฆ่ากิเลสในใจของพวกเราทุกๆ ท, ท่านวางแผนฆ่ากิเลสในใจกิเลสร้ายหลวงพ่อกิเลสโลภโกรดหลงกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสความชั่วของเราที่มันที่มันไม่ดีจิตใจของเราคิดยังไงคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดี ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราในพรรษานี้สามเดือนข้าไปเจ้าจงงดบุรีครับไปเจ้าจงงดเหล่าข้าไปเจ้าจงงดอบายยะมุกข้าไปเจ้าจะไหว้พระทุกวันทําวัดเย็นทั้งเช้าเย็นยองน้อยว่าตอนเช้าสักสิบสิบนาทีตอนเย็นตอนตอนเช้าสิบนาทีเย็นสิบนาทีแล้วก็จะนั่งภาวนาวันละ30มสิบนาที แล้วก็จะทำบุญตักบาตรไปกราบพ่อแม่ทุกเดือนอไม่ให้ขาดในสามเดือนเนี้ย ส, สิ่งไหนที่มันดีสรุปแล้วอันไหนที่มันดีที่เราทำยังไม่ได้เราควรจะมีจัดจะาอธิษฐานคือตั้งใจมั่นในเรื่องนั้นๆ อันนี้ละคือการฆ่ากิเลสแล้วว่าชำระกิเลสสิ่งที่มันไม่ดีออกจากใจจากนั้นเมื่อเราชนะในใจของเราครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็ต่อไปก็นั่นเอาชนะได้เรื่อยๆใช่ถ้าเราแพ้มันตลอดมันก็แพ้ตลอดเหมือนกันนะสำหรับพระกูบาทั้งหลายก็เหมือนกันในพรรษาเนียข้าพเจ้าจะพยายามทำความเพียรข้าพเจ้าจะพูดให้น้อยที่สุด สิ่งไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์ข้าพระเจ้าจะไม่พูดจะไม่ทําจะไม่คิดในเรื่องนั้นต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ก็ต่างสํารวมระวังกายวาจาของเราจะเห็นไม่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลวงปูป่บุนมีถึงจะเห็นหมูพวกเพื่อนไม่ดีอย่างไรท่านก็สํารวมระวังท่านจะไม่พูดให้ระวังต่างองค์ต่างระวังของใครของเรา นั่นแหละความสงบพร่มเย็นเป็นสุกก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มในชุมชนในหมู่ในคณะของเราแต่ถ้าหาว่าผู้ใดก็าตามจะพูดอะไรก็พูดไม่ระเวียงระวัง อ, อันตรายนะอันตรายเพราะนั้นให้บอกกันอกหนถ้าพูดไม่ดีก็รวมกันรวมกันเตือนเตือนกันอย่าให้มีแต่มันมีขึ้นมาแล้วมันทำให้ไม่สบายใจ ไม่สบายใจก็เป็นบาปเราของเรานะเป็นบาปของเราอีกต่างหากเพราะเราทำที่ไม่ถูกขนาดพระจุรบันทกะพระจุรบันทกะบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์กรท่านเป็นผู้หัวดีสติปัญญาคล่องแคล่วเรียนจำง่ายได้หมดเป็นผู้ปาดเปืองด้วย วิชาความรู้แต่ก็ชอบดูถูกคนอื่นอชอบการแกล้งแลวชอบดูถูกคนอื่นอมองคนอื่นว่าเป็นคนง่อลักษณะนั้นแต่นี่พระ อ, องค์หนึ่งที่มาบวชเป็นคนหัวทื่อจะให้เสมอกันได้ยังไงเหรอไหอคนเรามมนเสมอกันไม่ได้หรอกอบางคนก็เรียนหนังสือก็ยากกว่าจะจำได้แต่นี่กัน พ้องนะอิติปิโสภควายอิติปิโสภควาเอา่อคำว่าอิติปิโสภควาอารหังสัมมาอิติปิโสภควาอารหังสัมมามันกว่าจะจําได้เออแต่พระจุละท่านสมัยนะั้นท่านเป็นพระเหมือนกันเออพอเป็นพระไปเห็นองค์นั้นท่องหนังสือมันจํายากใช่ไหมเออก็เลยเอามาพูดล้อเล่นบั เอามาล้อเล่นให้หมูพวกเพื่อนฟังฮพอเดินไปผ่านตะในกุฏิกลางคืนไปไปเห็นองค์นั้นท่องไปก็เลยเอาเอามาเล่ า, เ ล, าเล่าให้ฟังองค์นี้พูดถูกพู ด, ด, พดผิดพูดผิดพูดถูกใช่ไหมเออบางทีน่าจะพูดไม่น่าจะพูดกว่าพูดออกมาเพราะมันมันจำไม่ได้ใช่ไหมคนท่องหนังสือเนี่ยพวกหมูทั้งหลายกเฮหัวเราะองค์ที่ถูกหมู ล้อเรียนก็อายมืนนยอนไเอออายไม่กล้าท่องออกเสียงดังไม่กล้าท่องหนังสือเลยฮะเพราะอายหมูกลัวหมูจะไปจอบฟังไปดักฟังตัวเองเรียนหนังสือ น, นั่นะเพียงแค่นั้นแหละพระจูระบุญบรรทกาเนเกิดมาพบใดชาติใดเรียนหนังสือไม่ได้เล ย, เยไม่จาเลยเลยเพราะบาปกรรมตัวนั้น พอมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจา้าทั้งที่มรรคผล น, ผนิพพานท่านจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอยู่แล้วนะ เ, เป็นน้องของเอช่อจูระจุลกะบัณฑิตท่านบัณฑิตพี่ชายาน้องชายนะจูระบันทกะเป็นลูกหลานของเศรษฐี พอมาบวชพี่ชายมาบวชน้องชายก็ได้มาบวช ด, ด้วยพอมาบวชเสร็จแล้วแต่นี้ท่องอะไรไม่ได้เลยท่องอะไรก็ไม่ได้พี่ชายเป็นบัณดิตท่องคล่องแคล่วทันในสำเร็จเป็นพระหรหันด้วยแล้วก็ให้น้องชายน้องชายไม่ได้อะไรผดที่สุดพี่ชายบอกเฮ้ยแต่แกบวชเข้ามา กินข้าวกินข้าวเขาหนักข้าวเขาไม่คุ้มค่าข้าวเขาให้เรียนหนังสือก็ไม่ได้เรื่องไปศึกไปพี่ชายตะเพิดแต่ตามไม่จริงน้องชายเนี่ก็เป็นผู้มีศรัทธายอยู่แต่มันท่องมันไม่จำอะมันท่องจำไม่ได้ผลที่สุดก็เลยเอา้าวพี่ชายให้ศึกก็ศึกที่หนักใจที่สุดคือพี่ชายเป็นผู้แจกแจกพระเขาใ น, นมูลมา สมมติว่าขหบดีเศรษฐีพ่อค้ากษัตริย์ทั้งหลายเขามาในมนวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระบันฑิตนี่ก็พี่ชายเนี่ก็เป็นคนแจกพระก็ เ, เอาเท่าไรโยมคนนั้นกษัตริย์เอาร้อยอง์เศรษฐีเอา50องค์คนนั้นเอา30องค์20องค์ท่านก็เป็นคนแจกแจกเสร็จแล้วท่านก็บรนะ จูลบาบรรญกาเนี่ยโง่ท่องหนังสืออะไรก็ไม่จำไม่ต้องรับในมลกับเขานะนี่แนหะจุดนี่แนหะทำให้จูล่านี่เสียความรู้สึกอย่างมากที่พี่ชายที่พี่ชายพยูดอย่างนั้นไปจะศึกก็ศึกไปไปหาทำงานดูไปเกิดห <c oughs> นักหนักห น, นักวัดลักษณะอย่างนั้นหละ <c oughs> พี่ชายขู่แต่ดีก็ท่านก็พอเสร็จแล้วท่านก็เอา ปีชาให้ศึกก็ศึกแล้ววะเราคนเรียนหนังสือไม่เก่งจริงๆเราคงโง่จริงๆว่ารู้จักว่า ต, วตัวเองโง่อยู่ด้วแล้วก็เตรียมตัวแต่เช้าออกไปออกไปกันนะออกไปแล้วก็จะไปลาศึกละอพอพระพุทธเจ้ารู้อพอเข้ามาในข่ายคือพยานของพระพุทธเจ้าเอาจุละบันดกะจะออกไปศึกจริงๆนะหวันเนี้งกัน ตอนนี้พระองก็เป็นดักอยู่หน้าประตูเป็นหน้าประตูดักอยู่หน้าประตูให้ค่าวเดินแถวๆนั้น่ะแถวหน้าประตูวัดจูบุญบรรทกาออกไปแต่เช้ามืดเยังไม่สว่างดีไปก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพอดีพระองค์ก็ถามว่าจุลธเธอจะไปไหนเนี่ยข้าพระองค์จะไปลาศิกขาพระเจ้าข่าทําไม พราะว่าพี่ชายตะเพิดด่าผมว่าผมเรียนหนังสือไม่เก่งแล้วก็ไม่จดจำพุทธวจนะอ่า น, นาเรียนอะไรก็ไม่ได้ไม่จำอะไรเลยอยู่ไปก็หนักศาสนาหนักวัดกับผมก็เลยมันจริงอย่างที่พี่ชายเขาพูดกับผมก็เลยจะไปลาศิกขาแล้วกับผมลาศึกนะฮะเธอบวช มาอุทิตพี่ชายใช่ไหมเรื่อง อ, อุทิศเนี้ยบวชมาอุทิตเราเธอบวชมาอุทิตพี่ชายใช่ไหมเรื่องมาอุทิตเราตถาคตอุทิตตพพุทธเจ้าโอ้ยข้าพระองค์ก็บวชมาอุทิศต่อพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าขา้าวอ้าถ้าอย่างนั้นอยู่โอ้มีกําลังใจขึ้นมาโขเลยท่นี้ยออ พระพุทธเจ้าให้อยู่อา้อาโยกก็เลยกลับม า, อาพอกลับมาเสร็จแล้วก็พระองค์ก็อสอนกรรมฐ า, านให้ใหอถอนกรรมฐ า, านให้จุละบรรทกาศบอกเอาจุละบรรทกาสมานน่ท่านจุละก็เข้าไปพอเข้าไปท่านก็ผ้าขาวให้ผืนหนึ่งผ้าเช็ดหน้านะ ขาวจ๊วอะไรขาวสะอาดมากเลยอ่บอกนี่นะจุฬาบรรท ก, กะให้เอามือให้ผ้าเอาผ้าขาวผืนเนะี่วางบนหัวบนั่งคัตมาทีล้ววางวางผ้าไว้เข่าด้านหนึ่งวางไว้ในเข่าแบ่ผ้าออกมาเนะพือพ่อพื้ผ้าออกมาให้วางในหัวเขาว่าแล้วเอามือข้างขวาในลูกลูกผ้าขาวเนี่ยนะ แล้วก็บ่นสาธยายว่าฮัดโชหรลนังหัดชังฮรลติแปลว่าโอผ้พาผ้าผืนนี้ขาวจริงนอเนี่ยคงจะจําได้มากขนาดนั้นนะพราะเห็นผ้าขาวใช่ไหมโอผ้าผืนนี้ขาวจริงหนอโอภาผืนนี้ขาวจริงหนอโอผ้าผืนนี้ขาวจริงหนอผ้าผืนนี้ขาวจริงนอผ้อพาผืนนี้ขาวจริง น, อน้อเพียงแค่นั้นแหละนะจําได้ไหมครับผมเออไป พระจุลบรรทกะก็ได้ผ้าขาวผืนนั่นแหละมากันนั่งไปหามุมสงบนะพระพุทธเจ้าสั่งให้ไปหามุมสงบนะอยู่ในตามลําพังนะอย่าไปยืนอยู่ในที่พุกผ่านวุ่นวายไปอยู่ในคุ ม, มุมสงบอยู่กุฏิก็ได้ที่ไหนก็ได้มุมสงบพอจะนั้นพระจุละรรท์ก็เข้าไปกันนั่งสมาธิแล้วก็นอบผ้าขาวทับไว้ทางด้านขวานะ จากนั้นท่านก็นลูบเลามือลูบเหมือกันฮัดโชหรลนังหัดชังหรติถ้าแปลเป็นภาษาไทยของเราว่าผ้าผืนนี้ขาวจริงหนอผ้าผืนนี้ขาวจริงหนอผ้าผืนนี้ขาวจิงหนอานะลูบไปลูบมาลูบมาลูบไปหลายๆครั้งเท่าไหผ้าผืนนั้นก็นถูกขีดมือใช่ไหมล่ะถูกขีด ม, มือมันมือมันมันเหงื่อออกกอะไรก็ไม่รูนนะ้น่ะผ้านั่นก็นดํำส اؤ หมอง ดำดำเข้าไปเรื่อยๆมันรูปไม่จบไม่รู้จะจบใช่มเอ่อจากนั้นพอท่านเห็นผ้าผืนนั้นดำท่านก็เห็นอเนจังของไม่เที่ยงโอ้ขนาดผ้าผืนนี้พระพุทธเจ้าประทานให้ขาวจริงๆแต่วันนี้เนีดำปีเข้ามาแล้วโอ้ทาไมออของทาไมไม่เที่ยงเป็นอเนจังทุกเสียงทุกอย่างนะมันไม่ใช่ว่าจะ ขาวสะอาดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กตลอดไม่ใช่จะเป็นหนุ่มสาวตลอดมันเท่าแกชรลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่นหะของไม่เที่ยงแต่ก่อนมันผ้าขาวแต่มันเป็นผ้าดําไปแล้วนะเป็นผ้าถูกเหงื่อไปแล้วอันนี้อย่างของไม่เที่ยงพอเห็นของไม่เที่ยงถ้าก็พิจารณาเข้ามาหาตัวของท่านเองนะร่างกายของเราก็เหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกัน มาพิจารณาถึงใจของเราใจของเราก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันอความคิดแปลปวนอยู่ตลอดเวลาเป็นของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราะท่านเห็นอะไจอยางทุกขังอนัตตาแล้วนะ่ยตอนเนี่ยพระพุทธเจ้ากับเพ่งแพรแลัทมีออกมาเนะี่ยว่ามากมเทสให้ฟังอีกแนวอริยสัจสี่อ <c oughs> ท่านจูระท่านได้สาเร็จเป็นพระรหันเนะีตอนเนี่ย สําสเร็จเป็นพระหรหันในเช้ามืดนั่นเลยเอ่าพอเสร็จได้สําเร็จเป็นพระรหันเสร็จแล้วพระ พ, พุทธองค์ก็ไปฉันไปฉันพระทหารที่บ้านหมอหมอชีวโกโกมารพัฒวันนั้นหมอชีวโ ก, โกโกมารมัดโกมารพัฒนิมนพระทั้ง500อเนี่ยไปฉันที่บ้านของเขามีพระพุทธองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตอนนี้พอไปถึง บ้านหมอชีวโกโกมารพัตแล้วก็พระพุทธองค์บอกว่าเออมีพระมายังไม่ครบอยู่องค์หนึ่งนะอยู่วัดป่าเชตวันไปดูซิก็ บ, บอกให้คนคนของหมอชีวโกโกมารพัตนะ์ะ เ, เขาก็เอายานแล้วว่าอะไรที่มันเร็วที่สุดนะพันะอาจจะวิ่งก็ไม่ทราบละสมัยนั้น อาจจะขี่ม้า ก, ก็ไม่ทราบค น, นไปก็เว่งมาวาน เ, เข้าไปหาไปเห็นแต่พระปัดกวาดเต็มวัดอยูง่งอันนีะเองหนึ่งปัดกวาดองหนึ่งซักผ้าองคหนึ่งอะไรพระในวัดเต็มไปหมดอ่ะอพระพุทธองค์บอกว่ามีพระองค์เดียวนะแต่ทไมพระมากขนาดนี้จะได้มนอย่างไรนะี่ยโอ้ไม่ได้นะพระมากเนะี่ยขี่รถกลับไหม ขี่เดินมาอีกวิ่งมาอีกมากะบอกเจ้านายเจ้านายครับโอ้พัดวัดพระอยู่ที่วัดป่าเวรุวันไม่ใช่น้อยนะครับพระเต็มวัดเลยฮะหมอชีววิผไปก่าพระพุทธเจาพระพุทธเจ้าครับคนเขามาบอกว่าพระไ ม, ไม่พระมากนะกบผมไม่ใช่องค์เดียวฮะไปไปดูซิว่าให้ถามดูว่าองค์ไหนท่านชื่อว่าจุฬบันทกะฮะ ให้ไปถามด้นะอง์ไหนชื่อว่าจุลบรรทกะให้ถามแล้วกันนั่นอนะแต่นี่ไอ้นั่นก็วิ่งจันไปอีกอพอไปถามท่านครับท่านองคไหนที่ชื่อจุลบรรทกะครับองไหนที่ตั้งที่มีชื่อว่าจุลบรรทกะครับองนั้นก็ใช่อตามาก็ใช่อตามาก็ใช่ เพราะว่าท่านนิรมิตให้เป็นทั้งห้าร้อยองใช่ไหมอง์เดียวนิรมิตไปทั้งห้าร้อยองไหนกัเป็นจุลบุญทกกาทั้งหมดทั่เห้าร้อยอันนี้ก็งงอีกเหมือนกันอา้าวทาไมจึงจุลบุญทกะองค์เดียวกันทั้งหมดทั้งห้าร้อยทีนี้ไม่ไม่รู้จะเอาองคไหนให้กลับมาอีกกลับมาหาหมอชีวก ท, ท่านครับมีจุลบุญทกกาทั้งหมดอยู่นั่นนะ่ะไม่รู้จะองคไหน เอจูหมอชีวกไปรกาศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะมีแต่จูลบัญทกะทั้งหมดที่พระ อ, องค์ให้ถามว่าจูลบันทกะก็ตอบจุลบันทักะทั้งหมดพระอยู่ในนั้น่ะจะทํายังไงพระเจ้าค่ะเออไ ป, ไปไปไปบอกอีกน่ะถ้ากล่าวบอกอท่านองค์ไหนชื่อจูลบัญทกะครับผมถ้าองค์ไหนพูดก่อนอาตมารีบไปคว้าแขนเร็วเงี้ะ ไปจับมือท่านเลยไปจับมือขอที่มนต์ไปฉันที่บ้านหมอชีว ก, กโกโมาลพัฒครับผม mm. ไปจับอ ง, ง์นั้นจับองค์ที่พูดก่อนท่าะ น, นะแล้วก็วิ่งจันไปอีกไปก็ถามอีกท่านครับท่านองท่านไหนที่เป็นชื่อว่าจูลับบัณฑกะครับผมเอออาตมานี่แหละออคน คนของหมอชีวกโกมลพัฒก็วิ่งปิ๊บก็ไปจับมือท่านเลยเอพอจับมือท่านท่านั่นพระทั้งหลายทั้งห้าร้อยเนี่ยหายเลยงั้นนาะเพราะท่านใช้อิทธิฤทธิ์นี่ใช่ไหมท่านก็เดินตามหลังคนของหมอชีวกมาเขามาชันอพอมาชันเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ให้พรเสร็จแล้วก็กลับวัดอพอกลับวัดก็ พระสงทั้งหลายกับูดกันเลยเถ่โอ้โหจูระบันทกะมีบุญหนักสักใหญ่เป็นผู้มีอภิเนหานแะทั้งที่หัวทื่ออีกต่างหากพอได้สำเร็จเป็นพระหันแล้วไม่ใช่ธรรมดาเนะ่ออเป็นที่เรื่องลือกันก็เลยถามกาบทูนถามพระพุทธเจ้าด้วยบาปกรรมเหตุอันไหนหนอพระเจ้าข้าพระองค์บอกว่าเนี่ยที่หัวทื่อเน่ยก็เพราะว่า เอาเรื่องคนคนอื่นมาล้อเลียนเล่นก็เลยบาปกรรมนัานติดตามพบติดตามชาติมาถึงขนาดนี้แต่ตามไม่จริงติดมาหลายชาติเลยล่ะมาชาติสุดท้ายจะได้สาเร็จเป็นพระหานะเขายังมาติดอีกอใครว่าเป็นหัวถือเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง่าไปคิดว่าล้อเล่นไม่ได้นะ เ, เป็นบาปเป็นกรรมติดพบติดชาติสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าลิธรรมอย่าริพูดในเรื่องนั้น นี่แหะอันนี้ก็คือมาในพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อเ ล, เล่าให้ฟังให้ลูกหลานฟังเป็นตัวอย่างเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่านในเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเห็นไหมประจุระัรรดกะคิดสนุก เห็นเขาท่องหนังสือไม่ได้เอามาล้อเล่นจนพระองค์นั้น อ, อ, อายไม่กล้าที่จะท่องหนังสือได้เลยเพราะอายหมู่พวกเพื่อนจะเอามาพูดมาล้อเล่นก็เลยเป็นบาปกรรมสําหรับผู้ที่เอามาพูดมาล้อเล่นนี่แหละ เ, เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีถ้าจะว่าไปแล้วกัน การบริกรรมกรรมฐานพระพุทธเจ้ามันมีหลายอย่างอีกเหมือนกันเพ่งดอกบัวก็มีแล้วก็ลูกผ้าเช็ดหน้าก็มีแล้วก็ถามว่าทําไมมรรคผลนิพพานของท่านพระจุระบันทกะเนี่เหตุใดหนอพระเจ้าข่าท่านจึงได้ลูกผ้าเอามือลูกผ้าแล้วจึงได้สาเร็จพระพุธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งจุระบันทกะเนี่ยเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ในชาตินั้นเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าก่อนที่เขาจะเสด็จรอบพระนครคือเขานั่งคอช้างรอบพนคอนเนี่ยเขาจะต้องแต่งองค์ทรงตัวสวยงามอ่าจะได้เกิเข้าไปในกระจกมองดูองค์ตัวเองโอ้สวยงามอ่าแต่นี้ก็ท่านก็ขึ้นทรงช้างเพราะว่าออกจะออกงานก็ต้อง อันไหนสวยงามใช่ไหมของเป็นพบ เ, เรื่องพระราชาใช่หมท่านก็จเจ ด, ดไปพอ ร, รอบพระราชามันเหงื่อออกเหงื่อออกอสมัยนั้นก็คงจะมีฝุน่นเวลาช้างม้าไปนะก็คงจะมีฝุ่นตลบขึ้นมาแต่นี้ก็ฝุ่นก็ตลบเข้ามาถูกใบหน้าของท่านเหงือ่อเขาออกอีกต่างหากท่านก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าอยู่ใน การเก่งของท่านฮะมาก็เลยมาเช็ดหน้าพอมาเช็ดหน้าทั้งไหนมองดูผ้าเช็ดหน้าเนี่ยดปี๋เลยจะนี่โอ้โหก่อนที่เราจะเสด็จออกมาออกงานเนี่ยนั่งคอช้างมาเนี่เราก็ดูว่าเราสะอาดสะองแต่บัดนี้พอเห็นผ้าเช็ดหน้าเนี่ยดปี๋มีถึงของอสุภะปฏิกูลพอเห็นดังนั้นเห็นอสุภะในผ้าเช็ดหน้า เห็นอณิจักรในผ้าผ้าเชน้าเห็นอนิจักทุกขังอนัตตาแล้วมันฉกกระปกนี่ใช่ไหมเห็นเห็นผ้าเช็ดหน้าตัวเองก็นั่นแหะมันเป็นอารมณ์ติดใจเลยช่านจิตในใจของท้องพระราชาในชาตินั้นมันเกิดความเห็นเป็นอณิจังเลยเป็นอสุภะปฏิกูลเป็นเห็นที่สิ่งที่ในร่างกายสังขารไม่ใช่เป็นของที่หน้า เ อ, อรักไข่น่าชอบใจเลยมันดูใชเช็ดหน้าเข้ามาเราแต่งองค์ทรงตัวขนาดนี้มาเช็ดขึ้นมาเป็นผ้าดําปี๋เลยมันเต็มไปด้วยเหงื่อด้วยไข่ทั้งนั้นเลยนี่แหละในความรู้สึกของท่านในช่วงนั้นใจของท่านเข้าเป็นสมาธิเลยมันว้าเข้าไปส่วนลึกเลยมันเป็นฌานเะเกิดญาณรัตน์เกิดฌานาขึ้นมาเ อ, อคือรู้แจ้งเห็นจริง ว่าร่างกายสังขารคืออะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นอสุภะปฏิกูลนี่แหละนั่นแหล ะ, ะท่านว่าเป็นอุปนิสัยเนี่เห็นไหมเป็นอุปนิสัยของพระจุระบันท ก, กะในเมื่อท่านจะได้สําเร็จมรรคพระหรหันนั่นแหะอุปนิสัยตัวนั้นนวิ่งปดเข้ามาเมื่อท่านมาเห็นผ้าเช็ดหน้าของท่านเอามือลูบกันก็เห็นอันติจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะในผ้าเช็ดหน้าของท่าน ท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายใจของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเนพราะนั้นพววเราผ้าลูกผ้าหลานทุกองนะสรุปแล้วก็คือประกอบคุณงามความดีสังสมคุณงามความดีมันติดพบติดชาติสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีก็ติดพบติดชาติเหมือนกันนะเพราะนั้นอย่าไปเอาสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราให้เอาแต่ คุณงามความดีเอาแต่สิ่งที่มันดีเข้ามาสู่จิตใจของเรานมรู้ไม่ดีท่านรู้ดีแล้วก็ น, นั้นเอาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าเอาเข้ามาในจิตใจของพวกเร า, นะเาตะอเ น, นื่อไปรับพรในแต่นีน้าหลวงพ่อพระสงม์โมทนารับพร